หมู่บ้านหนึ่งกำหนดชั่วไก่บินตกพิสูุต้องอบัตปาจิตตีทุกๆละแวกหมู่บ้านในป่า ท, ที่ไม่มีหมู่บ้านพิสูุต้องอบัตปาจิตตีทุกๆระยะกึ่งโยธ